ของคุณลุงพานอฟคริสต์มาสแซนวิเศษของคุณลุงพานอฟกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วในวันก่อนวันคริสต์มาสในหมู่บ้านเล็กๆในรัสเซียมีช่างทํารองเท้าแก่ชื่อคุณลุงพานอฟเขาออกมาจากร้านของเขาเพื่อมาดูร้านเป็นครั้งสุดท้ายบ้านหลังต่งตางๆและร้านต่งตางๆเริ่มเปิดไฟในขณะที่หน้าหนาวอันแสนสั้นกําลังจะจบลง เด็กๆที่ต่างๆตื่นเต้นรีบกลับเข้าไปในบ้านและเสียงหัวเราคิกคักก็เริ่มเบาลงหลังจากที่ทุกคนเริ่มปิดบ้านเสียงผู้คนก็เริ่มเบาลงกลิ่นอาหารหอมๆของเทศกาลคริสต์มาสจางๆทาให้คุณลุงนึกถึงวันที่ภรรยาของเขายังไม่ตายกับตอนที่ลูกของเขายังเล็กๆแต่ตอนนี้ลูกๆของเขาได้โตและไปอยู่ที่เมืองอื่นแล้วสีหน้าที่ปกติจะยิ้มแย้มตอนนี้เขาเริ่มจะหมองเศร้า เขาจำใจต้องปิดประตูบ้านและกลับเข้าไปในบ้านหลังจากนั้นเขาตั้งกาแฟแ บ, บนหม้อเตาถ่านหินพร้อมถอนหายใจในขณะที่เขาลงไปพิงบนเก้าอี้เอน oh. ปกติคุณลุงพานอเป็นคนที่ไม่อ่านหนังสือแต่คืนนี้เขาลื้อไบเบิลประจำตระกูลเล่มใหญ่ออกมาและค่อยๆใช้นิ้วชี้ไล่อ่านทีละบรรทัดและเขาอ่านเรื่องราวเกี่ยวกับวันคริสต์มาส กับจอเซฟเดินจับมือกันไม่นานพวกเขาก็ไปถึงเบลเฮมพวกเขาเหนื่อยและก็หาที่พักไม่ได้ลูกน้อยของแมรี่จึงเกิดในโรงนาโอ้พระเจ้าน่าสงสารถ้าพวกเขามาที่นี่ฉันคงให้ที่พักพิงกับพวกเขาและให้ความอบอุ่นกับลูกน้อยของแมรี่และจเซฟ จากนั้นราชชาสามพระองค์ที่กำลังออกตามหาเขาไี่เอาของขวัญแสนวิเศษติดไม้ติดมือมาด้วยพระเยซูตัวน้อยได้ถือกำเนิดขึ้นมาบนโลกนี้หลังจากนั้นทุกคนก็ทำการต้อนรับพระเยซูสู่โลกนี้ด้วยกันคุณลุงพานอบวางใบเบื้ลงด้วยความเศร้าโอ้ฉันไม่มีของขวัญที่จะให้พวกเขาหลังจากนั้นใบหน้าของเขาก็สว่างขึ้นมา นึกออกแล้วว่าฉันจะให้ของขวัญอะไรดีเท่าที่จำได้ของสิ่งนี้มันดีมากฉันเอาไปให้เขาได้สบายเลยหลังจากนั้นเขาก็ค่อยๆวางรองเท้าลงและกลับไปนั่งอีกครั้งหนึ่งตอนนี้กำลังรู้สึกเหนื่อยและยิ่งเขาอ่านหนังสือมากขึ้นเขาก็ยิ่งรู้สึกง่วงมากขึ้นเท่านั้นไม่นานคนุณลุงพานอบก็เพลอหลับไป เจ้าฝันอยากจะเจอข้าใช่ไหมคุณลุงพานอฟเอาอย่างนี้แล้วกันพรุ่งนี้ออกไปตามหาข้าพรุ่งนี้เป็นวันคริสต์มาสแล้วข้าจะมาหาเจ้าแต่หาให้ดีละ่ะเพราะข้าไม่บอกว่าข้าคือใครโอ้เดียวเดียวเดีวคุณลุงพานอฟตกใจตื่นขึ้นมาเขาได้ยินเสียงกริ่งและเห็นแสงอ่อนๆลอดผ่านผ้าม่าน พระเจ้าทรงปรอดวันนี้วันคริสต์มาสแล้วหลังจากนั้นคุณลุงยืนขึ้นแล้วเหยียดตัวเพราะเขาค่อนข้างตัวเกรงหลังจากนั้นก็เดินไปที่นาฬิกาและเพราะว่ามันตีสี่แล้วอะไรกันทําไมฉันตื่นเร็วขนาดนี้หลังจากนั้นเขาได้ยินเสียงมาจากนอกบ้านและสีหน้าของเขาก็เต็มไปได้วยความสุขทันทีเพราะเขาได้รู้ว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นในความฝันโอ้ฉันเคยฝันเห็นมันมาก่อนนี่นะว้าว วันนี้จะต้องเป็นวันคริสต์มาสที่แสนวิเศษแน่ๆเลยวันนี้พระเยซูจะมาหาแล้วนี่เขาจะมาในรูปแบบไหนนะมาในรูปแบบเด็กหรือว่าผู้ใหญ่หรือว่าช่างไม้หรือว่าในแบบของราชานะเราต้องคอยจับตาดูให้ดีเราจะได้รู้ว่าใครคือท่านเมื่อท่านได้มาหาเราแล้ว คุณลุงพานอมได้เปิดผ้าม่านแล้วก็เปิดหน้าต่างตอนนั้นตามท้องถนนไม่มีใครเว้นแต่คนกวาดหิมะโอ้นั่นคนกวาดหิมะแต่ว่าทําไมเขายังมาทํางานละ่ะนี่วันวันคริสต์มาสนะขนาดอากาศหนาวและยังเช้าอยู่เลยทําไมยังมาทํางานกันเน่เข้ามากินกาแฟร้อนๆในบ้านของฉันก่อน คนกวดหิมะแงนหน้าขึ้นมาอย่างไม่อยากจะเชื่อเขาดีใจจนรีบวางไม่กวาดเรารีบเข้าไปในบ้านอันแสนอบอุ่นเขาประสานมือทั้งสองข้างจับแก้วกาแฟร้อนๆเพื่อความอบอุ่นอ๋อเออนี่มันเออเออกำลังรอใครมาเยี่ยมอยู่เหรอใช่แล้วคุณลุงพานอบเล่าความฝันของเขาให้คอนกวดหิมะฟังว่าเขากาลังรอพระเยซูให้มาหา หวังว่าท่านจะมาจริงๆก็แล้วกันคุณทำให้ผมมีความสุขในวันคริสต์มาสผมคิดว่าคุณคู่ควรที่จะได้ตามที่คุณปราดทงหนาหลังจากนั้นคุณลุงพานอฟก็ยิ้มได้ค้นกอดหิมะดื่มกาแฟของเขาจนหมดและออกไปจากบ้านของคุณลุงพานอฟด้วยความสุขและอบอุ่นใจหลังจากนั้นไม่นานคุณลุงพานอบก็เริ่มทาซุปกระลำปีร้อนๆแสนอร่อย แล้วคอยเดินไปที่หน้าต่างไปเรื่อยๆเพื่อดูว่าแขกของเขามาหรือยังทันทีที่เข้ามองออกไปเขาเห็นหญิงสาวคนหนึ่งที่นาซีดราวกับหิมะเธอกำลังอุ้มเด็กทารกน้อยที่ห่อด้วยผ้าห่มอุ่นๆพระเจ้าคนเราออกมาเดินเล่นในอากาศหนาวๆอย่างนี้ได้ยังไงกันแล้วเด็กที่น่าสงสารด้วยเราต้องเรียกเธอเข้ามาเฮ้ ขอโทษนะครับคุณผู้หญิงฮะ้ออะไรนะคะเข้ามาเข้ามาในบ้านผมก่อนจะได้หายหนาวไฟเตาผิงจะช่วยคุณและลูกคุณได้หญิงคนนั้นแทบไม่อยากจะเชื่อหูตัวเองเธอซาบซซ้งจนน้ำตาเอา่อล้นขอบคุณนะคะคุณใจดีจริงๆเลย เธอให้คุณลุงพานอบนำทางเธอไปที่เตาผิงและก็นั่งข้างเตาผิงในขณะที่ลูกน้อยของเธอกำลังอบอุ่นโอ้น่ารักจริงๆเลยเดี๋ยวผมจะอุ่นนมให้นะอ้แล้วก็ไม่ต้องห่วงนะผมจะหาอะไรให้ลูกคุณกินเพราะผมก็เคยมีลูกเหมือนกันคุณลุงพานอบค่อยๆอานมอุ่นมาป้อนด้วยช้อนให้กับทารกน้อยอย่างระวังหลังจากนั้นเขาก็เห็นว่าเท้าของทารกน้อย เริ่มบวมขึ้นเพราะความหนาวเธอต้องใส่รองเทา้าเดี๋ยวนี้เลยฉันไม่มีเงินสื้อรองเท้าค่ะฉันกําลังจะเดินทางไปอีกหมู่บ้านเพื่อหางานทำนะฉันไม่มีทางเลือกอื่นเลยจริงๆคุณลุงพานนอฟชุดคิดอยู่สักพักและคิดถึงรองเท้าที่เขานึกถึงเมื่อคืนแต่ว่ารองเท้าวพวกนั้นมันสําหรับพระเยซู ทันทีที่เขาหันไปเห็นน้ำแข็งที่กะดเท้าของทารกเขาก็ตัดสินใจในทันทีนี่ครับผมให้คุณโอ้ดูสิรองเท้ามาใส่พอดีเลยลูกคุณดูเหมือนจะมีความสุขแต่ทารกตัวน้อยที่ขาไปมาด้วยความสุขคุณใจดีกับเรามากเลยนะคะขอให้คำอธิษฐานวันคริสต์มาส ข, ของคุณเป็นจริงด้วยเถอะ ในขณะที่หญิงสาว ก, กาลังกินซุปอุ่นๆอย่าง อ, ร, อร่อยคุณลุงก็มองไปที่ถนนอย่างลุ้นๆกลัวตอนนั้นที่เท้าถนนมีผู้คนมากมายแต่ทุกคนเป็นคนที่คุณลุงไม่รู้จักทางนั้นพวกเขาคือเพื่อนบ้านที่กําลังใช้เวลากับครอบครัวพวกเขาพยักหน้ามาและยิ้มอวยพรวันคริสต์มาสให้กับคุณลุงเมื่อหญิงสาว ก, กินซุปเสร็จและเด็กน้อยอาการดีขึ้นหญิงสาวขอบคุณคุณลุงอีกครั้งแล้วกลับบ้านไปสุขสันต์วันคริสต์มาสนะ ในขณะที่เขายือนอยู่ที่ประตูคุณลุงพานอบเห็นขอทานคนหนึ่งกําลังเดินอย่างหนาวสัน่นเขารีบวิ่งเข้าไปในบ้านเพื่อไปเอาซุปร้อนๆและขนมปังก้อนใหญ่ๆและเขาก็มอบให้กับขอทานขอทานคนนั้นดีใจมากเขาขอบคุณคุณลุงและเดินจากไปคุณลุงเดินเข้าไปในบ้านและไม่นานก็ตกคําคุณลุงพานอบอยือนอยู่ข้างหน้าต่างแต่เขาไม่เห็นใครเดินผ่านไปมาแล้ว คนส่วนใหญ่กลับเข้าไปในบ้านกันหมดลุงพานอผิดหวังและเดินกลับไปพิงหลังกับเก้าอี้อย่างเหนื่อยล้าทั้งหมดนี้มันคงจะเป็นแค่ฝันสินะและทันใดนั้นเองคนกวาดหิมะก็ปรากฏตัวขึ้นหญิงสาวกับเด็กถารกและขอทานก็ปรากฏตัวขึ้นพร้อมกันไม่เห็นข้าหรือคุณลุงพานอภอะไรกันผมไม่เข้าใจ หลังจากนั้นก็มีเสียงแปลกๆตอบเขามันคือเสียงที่เขาได้ยินในฝันเสียงของพระเยซูข้าหิวเจ้าหาอาหารให้ข้าข้าหมดหุ่นทามไม่มีรองเท้าใส่เจ้าก็เอารองเท้าอุ่นๆมาให้ข้าใส่ข้าหนาวข้าเหนื่อยไม่มีใครสนใจข้าแต่เจ้ากลับเห็นข้าเจ้าให้ความสุขเหลือล้นกับข้าข้าปรากฏตัวในสมรูปแบบแต่เจ้าก็ยังให้ความสําคัญ เจช่วยพวกเราด้วยความรักเท่าๆกันขอบคุณคุณลุงพานอบไม่อยากจะเชื่อสายตาของเขาคุณลุงมีความสุขจนเอ่อล้นหลังจากนั้นทุกอย่างก็เงียบสงบไปเหลือแต่เสียงของนาฬิกาใหญ่ที่กําลังแกว่งห้องนั้นเหมือนจะเต็มไปด้วยความรู้สึกสันติและความสุขมันเอ่อล้นเต็มไปในหัวใจของคุณลุงพานอบจนเขาอยากหัวเราะและร้องเพลงออกมาด้วยความสุข ท่านมาปรากฏตัวจริงๆ We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year Happy New Year ความใจดีของคุณลุงพานอบทาให้เขาได้รับความสุขในวันคริสต์มาส ไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นใครคุณหลวงพานอบก็ปฏิบัติกับพวกเขาอย่างเท่าเทียมด้วยความใจดีและการใจดีกับทุกๆคนมันทำให้โลกน่าอยู่ขึ้นไม่ว่าจะศาสนาใดแต่พระเจ้ายังอยู่กับพวกเราทุกคนที่สำคัญที่สุดเราจะต้องรักทุกๆคนให้เท่ากัน